พระธรรมเทศนาแผ่นที่112ลำดับที่14โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่23กรกฎาคม2560มีชื่อเรื่องว่าใช้สติเพื่อศึกษาดูใจตนต่อไปตั้งใจสมาทานศีล ศีลวันนี้เป็นศีลพิเศษศีลในพัรษาพวกเราเข้าพัรษามานี่ก็เป็นศีลที่สองที่จะรักษาศีลในวันนี้ศีลที่หนึ่งก็คือแรมแปดค่ำเดือน8ปดและกับวันนี้เป็นแรมสิบห้าค่ำแรมสิบสี่ค่ำแรมสิบห้าเดือนแปดเป็นอันว่าศีลวันนี้เป็นศีลวันพระใหญ่ เรารักษาศีนวันนี้ผ่านไปแล้วก็ยังเหลืออยู่10บวันพระที่จะออกพรรษาเพราะพรรษาหนึ่งมีสมเดือนสมเดือนมีอยู่เดือนหนึ่งก็มีอยู่สครั้งที่จะรักษาศีนอุโบสถหรือรักษาศีนแปดนะเป็นวันพระ8ดค่ำสิบห้าค่าก็เป็นนั้นว่าสมเดือนเรารักษาหรือว่าเราประกอบคุณงามความดีรักษาศีนเพียง สิบสองครั้งนี่อันนี้ก็คือถ้าหากว่าพวกเรายังให้หลุดให้หล่นไปอีกก็แสดงว่าเราเนี่ยการนับถือเราการเชื่อถื อ, ถอทางด้านจิตใจของพวกเรารู้สึกว่าจะอ่อนด้อยไปเพรา ะ, ะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราขา้าราชธาญาติโยมทุกหมูเ่เหล่าที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อกล่าวเตือนย้ำ พวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทที่เข้าหุ้นบริษัทของพุทธะพวกเราจะต้องใส่ใจสนใจมิใช่ว่าวันคืนเดือนปีผ่านไปผ่านไปเราไม่ได้ใส่ใจสนใจอะไรเลยก็ไม่น่าจะถูกต้องนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะวันพระ8ค่ำสิบหาค่ำในพรรษาเนี่ยพวกเราควรจะ รักษาศีลถึงจะไม่ได้มาวัดอยู่ในบ้านเอาเถอะข้าพเจ้าติดภาระทุระมาวัดไม่ได้แต่ข้าพเจ้าลำเลึกถึงคุณงามความดีระเลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ข้าพเจ้าระลึกถึงวันพระในพรรษาข้าพเจ้าจะรักษาศีลอยู่ในบ้านตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็ไหว้พระไหว้พระ เรื่องวาไหวที่นอนของเราก็ได้ไหวที่หมอนของเราก็ได้และเลือกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จากนั้นก็ตั้งจิตเจตนาวิรัติเจตนาวันนี้ข้าวไปเจ้าไม่ได้ไปวัดข้าวไปเจ้าไม่สบายข้าวไปเจ้าเจ็บไข้ได้ป่วยเอาเถอะข้าวไปเจ้าจะรักษาศีลห้าที่ข้าวไปเจ้าได้ตั้งใจเอาไว้จะรักษาศีลห้ารักษาศีลอุโบสถทุกวันพระจากนั้นก็ เราก็สมาทานศีลด้วยตนเองแล้วจะสมาทานศีนเป็นข้อๆก็ได้หรือสมาทานศีนรวบรัตเราก็ได้เพราะเรารู้รู้อยู่แล้วว่าศีนห้านะคือมีกี่ข้อศีนอุโบสถมีกี่ข้อมีข้อห้ามอย่างไรบ้างเราก็รู้จากนั้นเราก็วิรัตเจตนาว่าข้าพเจ้าจะรักษาศีนห้าวันหนึ่งกับคืนหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้ตั้งคาสัตย์ไว้ตั้งกิตอธิษฐานเอาไว้ ว่าจะรักษาศีลห้าทุกวันพระนี่ก็เป็นศีลแล้วเราไม่จ้องไม่จำเป็นจะต้องมารับกับพระทุกครั้งนะเขาว่าเจตนาหังผิกขเวกรรมังวดามิ่คืออาศัยเจตนาเป็นหลักถ้าเมื่อเรามีเจตนาดีวิรัตเจตนาดีรักษาจะรักษาศีลห้าก็เป็นศีลห้าได้จะรักษาศีลอุโบสถก็เป็นศีลอุโบสถคือศีลแปดได้ ฉนันขอให้พวกเราคณะศรัทธาญาติโยมทุกคนนะที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อเนี่ยการรักษาศีลท่าเรารู้จักวิธีการมันไม่ยากนะไม่ได้มีท่ามีทางมีได้มีอะไรแต่มีแต่ว่ิกลตภายในใจของเราเนะ่สกัยื้อไปเท่านั้นะไม่อยากจะทำคุณงามความดีจุดนั้นนะสำคัญถ้าพวกเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นถึงอย่างไรก็เถอนะนเราเราจะประกอบคุณงามความดี ในวันพระ8ปดค่าสห้าค่ำหรือเรารักษาศีลแปดค่ำสิบห้าค่ำไม่ได้วันรักษาวันเาสาร์วันเสาร์วันอาทิตย์ก็ยังได้ออกเพราะอะไรเพราะว่ า, าการประกอบคุณงามความดีไม่ได้เลือกวันเวลารักษาศีลวันไหนก็นดีวันนั้นแหละอันนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้า อุบาสิกุบาสิกาในครั้งพุทธกาลเขากําหนดวันมาเราก็ต้องปฏิบัติตามแต่หาว่าเราจะรักษาศีนวันไหนก็ได้ใช่ไหมได้รักษาศีนวันไหนก็ได้เพราะหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านมเมรเิกาหนดกฎเกณฑ์ทําดีคู่ใดเวลาใขาดขณะใดคู่นั่นแลขณะนั่นแลเวลานั่นแหลเป็นคู่ดีเป็นขณะดีเป็นเวลาดี เหมือนกับเราจับไฟจับไฟเวลาไหนก็ร้อนเวลานั้นคณะสัตยา ญ, ญาติโยมลูกหลานน ะ, ะต่อนนี้ไปตั้งใจสมาทานสีนตินีน้นะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสาัมพทุทธัสสะสีเลนะนิผูติงยันติตัตมาสีหลังวิโสทาเย วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ยี่สกรกฎาคมพุทธศักราช2560วันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยนะอาทิตย์ที่23แล้วก็เป็นวันพระใหญ่เข้าพรรษามาก็เป็นวันพระที่สองคือวันพระแรมสิบห้าค่ำเดือน8ปดะแล้วก็วันนี้จะมีวันเป็นวันอุโบสถของพระด้วยขอให้พระ บอกกล่าวกันแนะนำกันวันเปเที่ยงวันนี้จะมีการลงอุโบสถที่วัดของเราแล้วก็พร้อมกันเมื่อลงอุโบสถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็จะมีคณะอำเภอนามโสมอำเภอนายุงจะเข้ามากับคารวะตามปร ะ, ประเพณีในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาวันนี้ตอนบ่ายแล้วก็ขอให้พวกเราคณะทาญาิโยมผู้เกี่ยวข้องดูเตืองน้ำ เรื่องน้ำนะํำเลี้ยงพระถวายพระมีอะไรที่จะเลี้ยงคณะสัตธา ญ, ญาติโยมแล้วก็มีอะไรที่จะแจกให้กับคณะสัตยา ญ, ญาติโยมไห้ช่วยๆกันดูให้ช่วยจันทกันจัดนะ เ, เพราะคณะสงฆ์จะเข้าม า, าปีหนึ่งก็มีครั้งหนึ่งที่ท่านจะลงอุโบสถท่านโคพระสงฆ์ ที่จะมาเนี่ยก็คงจะลงอุโบสถรวมกันที่อำเภอนามโสมวัดภูนาหลาวก่อนพอเสร็จแล้วท่านก็จะเดินทางมาพร้อมกันมาที่วัดของหลวงพ่อนะเป็นการทำวัดคารวะในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาถือว่าครูบาอาจารย์อยู่ในถิ่นใดที่มีอายุพรรษาพระในสินนั้นก็เข้ามาแสดงเขาเค า, ารพคารวะที่พวกเราถือว่า เป็นผูบาอาจารย์แต่วันนี้ก็จะมีคณะสงฆ์มาเนอะคณะศรัทธาญาติโยมดูน้ําน้ําดื่มปลุกน้ำอะไรตัว น, นี้อะไรนะั่นแหละที่พวกเราเคยดูเคยแลเคยปฏิบัติมาอย่างทุกปีนะะั่นแหละก็จะมีคนมากอยู่นะพระสงฆ์ก็จะมากศรัทธาญาติโยมก็จะมากเพราะฉะนั้นจะมอบให้ผู้ใดใครผู้หนึ่งเป็นผู้รับภาระเนี่ยหนักเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันทั้งวัดนั่นแหะที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อเนะี่ยถ้าผู้ใด ให้ช่วยๆกันดูแลพระสงฆ์และก็วันนี้เป็นวันพระอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าววันนี้พวกหลวงพ่อเองก็จะปรับแนวธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาทำคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เป็นเครื่องอสกิดจิตสกิจใจหรือว่าเป็นแนวความคิดสำหรับพวกเราท่านทั้งหลาย พพวกเราท่านทั้งหลายมีแต่การสะแสวงหาทรัพย์ในทางสั ม, มาชีพมีมากหลากหลายอาชีพมากต่า ง, ต, า ง, ต, างต่างกันนแต่สรุปแล้วก็คือเพื่อหาปัจจัยหาเงินหาปัจจัยสี่เพื่อเลี้ยงชีพถึงจะมากหาอย่างไรก็เพื่อหาปัจจัยหาเงินมาเพื่อเป็นปัจจัย เป็นอาหารเป็นยาแก้โรคภัยไข้เจ็บแล้วกัเป็นผ้านุ่งหม่มแล้วกัที่อยู่อาศัยอันนี้คือปัจจัย4พวกเราก็เนี่ยตื่นขึ้นมาก็ต้องสแสวงหาปัจจัยสี่เลี้ยงชีพนะแต่ค้อมกันในหลกักหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาหลวงพ่อจะย้าเตือนว่าการสะแสวงหาการเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนั้นไม่พอนะลูกหลานหน้านะ จัตถายาตโยมนะควรจะสะแสวงหาธรรมะเข้าสู่จิตใจด้วยคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีเข้าสู่จิตใจด้วยการทํามาค้าขายกับชายการทํามาค้าขายเรื่องเรื่องเรื่องชีพแต่พร้อมกันก็ใหเ้เป็นคนดีในชุมชนสังคมให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมจริยธรรมให้อยู่ในกรอบของกฎหมายบ้านเมืองอที่มีกฎกติกากันออกมาแล้วก็ให้เคารพ ต่างคนต่างเคารพกฎหมายถ้าว่าไม่มีพวกเราไม่เคารพกฎหมายต่างคนต่างฝ่าฝืนกฎหมายพวกเราคิดดูสิใช่เราฝ่าฝืนคนนั้นก็ฝ่าฝืนบ้างแต่พอฝ่าฝืนเข้าไปแล้วพอมันมาเหยียบตาปลาเรามาเหยียบคอเราอย่างนี้เราพอใจไหมเราไม่พอใจเมื่อเราไปทําให้กับเขาล่ะเขาก็ไม่พอใจเหมือนกันเคนนั้นต่างคนต่างเคารพกฎกติกานี่นี่แหละอันนี้ก็คือ การเป็นการอยู่ด้วยกันแล้วก็เมื่อวานหลวงพ่อก็ออกไปแสดงธรรมแล้วไปในงานศพโยมพ่อของอท่านอาจารย์บัวเจ้าอาวาสวัดป่าวังแคน่นะก็เป็นกลุ่มเดียวกันนี่แหละพ่อของท่านเดชมรณะหลวงพ่อก็ได้ไปองค์เป็นองค์แสดงธรรมอายุของท่านก็แก่แล้วนะประมาณเจ4ด5ปีแก่กว่าหลวงพ่อน้อยนึง หลวงพ่อในเจ็ดสิบสามลูกหลานท่านเจ็ดสิบสี่และเจ็ดสิบห้าเนี่ยนะที่มรณะไปเมื่อวานได้ไประชุมเพลิงและศรัทธาญาติโยมผ้านเนียนก็มากทนะี่แล้วเมื่อวานเนี่ยในหลวงพ่อก็ได้ไปแสดงธรรมที่ที่วัดภูนาหลาวอาเภอนามโสมนี่แหละมาพิจารณาถึงมรณะภัยคำนี้ถ้าหาว่าพวกเราคิดแบบผิวเผินก็น่ากลัวนะ ถ้ามาคิดเป็นธรรมชาติขึ้นมาแล้วก็อจะทํำยังไงสัตว์ทวัสัตว์ทุกตัวเกิดมาแล้วตายไม่เป็นใช่ไหมเป็นวัวเป็นควายเป็นช้างเป็นม้าเป็นสัตว์ตัวไหนก็ได้ตายไม่เป็นแต่เป็นเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยก็ตายไม่เป็นใช่ไหมเกิดมาเท่าไหร่ถ้าคนตายไม่เป็นสัตว์ตายไม่เป็นอยู่ในโลกเนี่ยหลวงพ่อว่าล้นโลกแน่ๆนะถ้าเราคิดดูให้ดีแล้วนะอเหมือนกันปลาอยู่ใน อยู่ในข้องอยู่ในตะ ก, กาแลวอยู่ในกะ ม, มังอย่างนั้นนะอ่ะมันซ้อนๆกันขึ้นไปเลยมันตายไม่เป็นใช่ไหมล่ะพวกเราคิดดูซิว่ามันน่าอยู่ไหมมันก็ไม่ไหวอีกเหมือนกันนะั่นน่ะนี่แหละคือธรรมชาติการเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายในที่สุดอันนี้คือธรรมชาติของโลกนะแต่เราก็กลัวนะแต่เห็นคนอื่นตายแล้วก็ดูๆกันแล้วๆไปนะ แต่พอมาหาตัวเองพอเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายหรือว่าตัวเองจะถึงจุดจบระครานนี่นะในความรู้สึกนึกคิดของเรานะี่รู้สึกว่าหวันไว้ไกวแข่งเข้าเข้ามาแล้วทีนี้นี่แหละอันนี้ก็คือในหลักธรรมคาสอนที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้บอกกล่าวเน้นนักบอกกล่าวพวกเราท่านทั้งหลายให้จุดนี้ล่ะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้ประกอบคุณงามความดี ให้สังสมบุรณ์กุศลจิตเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจเอาไว้นะแต่ถึงยังไงต้องถึงถึงวันนั้นแน่นอนอย่างถึงวันอย่างคุณโยมเนะมื่อวานนะแน่นอนทุกคนไม่ได้อบอกไม่ได้กล่าวไม่ได้คู่ไม่ได้ขูไม่ได้เขียนเพียงแต่ชี้ประเด็นเรืว่าบอกให้ฟังเท่านั้นว่าเป็นอย่างนั้นจริงจริงไหมทางพวกเราพิจารณาตามความเป็นจริง เราก็ต้องยอมเราว่อชายจริงแต่เราจะแก้ไขอย่างไรนี่แหละหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านมีวิธีแก้ไขนะสทายาตโโยมนะแต่เราเกิดมาและต้องตายแน่ไม่เป็นอย่างอื่นแต่ว่าเราอย่ามาเกิดอีกทถะเนี่ยนะที่ว่าอย่ามาเกิดอีกจุดนั้นแหละที่พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษ า, เ, าเมื่อสองพันห้อยหกสิสปีให้หลังไปประสบผลสำเร็จ ที่โคลนต้นโพจนได้สําเร็จพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ น, นี่แหละไปค้ น, คนขวาจุดนี้แหละจุดที่ว่าเราจะไม่มาเกิดอีกนะในเมื่อไม่มาเกิดแล้วจะความตายจะมาได้ยังไงจะมีความตายได้ยังไงเพราะท่านไม่มาเกิดไนะอสิ่งที่มาเกิดนั่นคืออะไร น, ะนี่แหละท่านเป็นค้นขวาศึกษาที่สิ่งที่จะนําพามาเกิดนั่นนะคืออะไรนะี่ย ทานว่กกิเลสกิเลสราคะโทสะโมหะโลภโกรดหลงคือความรู้ไม่รู้เท่ารู้ทานไม่รู้จริงในเมื่อไม่รู้จริงคนลุ่มหลงมัวเมาแล้วก็เกิดความโลภโกรดหลงจากนั้นตัวกิเลสตัวโลภโกรดหลงนั้นตัวนั้นจะพามาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าว่าเรารู้ ต้นเงื่อนของมันแล้วนะแล้เราก็พยายามดูจิตใจชําระใจดวงนั้นให้หลุดรุดพ้นจากอาสวะกิเลสแล้วก็พ้นทุกในวัฏะสงสารไม่มาเวียนไหวตายเกิดรู้แล้วจะมาทําไมไงนี่แหละอันนี้พวกรู้รู้แล้วมันไม่จริงรู้แล้วรู้หลงหลงรู้หลงหลงลืมลืมเราก็เลยมาเวียนไหวตายเกิดเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะจะทำยังไงฮล จึงจะไม่มเวียนว่ายตายเกิดอันดับแรกพระพุทธเจ้าท่านก็วางศาสนาระว่างวางธรรมคำสอนของพระพ อ, องค์ไว้ว่าการอยู่ด้วยกันต้องมีการเสียสละนะ เ, เพื่อจะให้เพื่อจะให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขปีน้ําใจมีการเสียสละต่อกันเรก ว, าท า, วาทานนลวะทานะคือวาทานการอยู่ด้วยกันพ่อแม่อยู่ด้วยกันพี่น้องอยู่ในกันวงศาคณาญาติอยู่ด้วยกัน พระสงฆ์ฆราวาสญาติโยมพุทธบริษัทสี่อยู่ด้วยกันต้องมีการเสียสละต้องมีน้ําใจต่อกันถ้ามีน้ําใจต่อกันมีการเสียสละเสียสละต่อกันกลุ่มนั้นชุมชนกลุ่มนั้นก็จะมีความร่มเย็นผาสุขไว้เนื้อเชื่อใจกันในเมื่ออยู่ด้วยกันมากเพราะกิเลสราคะโทสะโมหะของมวลมนุษยชาติมันมี มันยังรุนแรงขึ้นมาการเสียสระเท่านั้นยังไม่เพียงพอควรที่มีกฎกติกาคือควรจะมีสินห้านะสำหรับฆรวาสญาติโยมถ้าเป็นพระสัมมณเนนก็สินสิบถ้าเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาเป็นผู้ที่จะตัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกจา ก, ก จ, จิตใจต้องสิน227รนะ้เนระักษากฎกติกาให้ดี สำหรับฆราวาสญาติโยมก็คือสินห้าทางว่าผู้ที่มุ่งมั่นหมดภาระทางโลกไม่ได้ยุ่งเหยิงทางโลกมากเกินไปแล้วก็ควรจะมีศินอุโบสถคือสินแปดสำหรับญาติโยมนี่แหละพราะพระพุทธเจ้าท่านวางกฎกติกาการอยู่การอยู่ด้วยกันถ้าว่าไม่มีศินไม่มีกฎกติกาแล้วจะหาความไว้เนื้อเชื่อใจกันไว้วางใจกันไม่ได้นะเพราะพระพุทธเจ้าจึงวางศินห้าไว้ ข้อที่หนึ่งอย่าคิดฆ่ากันการอยู่ด้วยกันอย่าคิดฆ่ากันถ้าคิดฆ่ากันแล้วหาความสงบสุขไม่ได้นะเป็นทุกข์นะเป็นทุกข์เป็นทุกข์ทั้งตระกูลเป็นคุดเป็นคุดเป็นทุกข์ ท, กทั้งรครอบครัวเลยละ่ะถ้าว่ามีเมื่อคิดจะฆ่ากันนะ อ, อย่าคิดขโมยกันนะถ้าว่าอยู่ด้วยกันเอารัดเอาเปรียบกันไม่ซื่อสัตว์ไม่ชื่อตรงต่อกัน มีแต่คิดจะขโมยกันจะหาความสุขไม่ได้นะพวกเราอยู่ด้วยกันมากมายให้เคารพสิทธิ์สามีภรรยาลูกหลานซึ่งกันและกันนะเ <c oughs> พราะต่างคนก็ต่างมีสามีภรรยาลูกหลานมีครอบมีครัวต่างคนก็ต่างรักของใครของเราถ้าเราไปล่วงล้ำเขาเขามาร่วงล้ำเราเราก็เป็นทุกข์เราเสียใจนี่แหละให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันนะข้อที่สี่ อย่ากโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขานะถ้าเราไปโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาเขาก็เดือดร้อนนะนี่ละก็คือสินมีที่สี่ข้อที่5อย่าไปดื่มสุราให้ขาดสติเมื่อดื่มสุราเข้าไปแล้วขาดสติเมื่อคนขาดสติแล้วทําความชั่วเสียหายแหมมากมายเพราะคนเป็นเหมือนกับคนเป็นบ้าว่าขาดสติคำนี้นก็คือขาดนะเป็นบ้าไม่รู้จักดีไม่รู้จัก ชั่วไม่รู้จักสิ่งควรไม่ควรไม่รู้จักกาละเทสะไม่รู้ไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ําเพราะอะไรเพราะคนขาดสตินี่แหละขาดสติได้ก็เพราะทําให้ขาดสติด้วยเพราะอะไรเพราะน้ําเมาเป็นหลักสุราคัญชา ย, ยาฝิ่นเฮโรอินจะเป็นชื่อหรือไม่มีชื่อก็ตามพอดื่มแล้อเสพเข้าไปแล้วขาดสตินั่นแหละไม่ดีทั้งนั้นนะอันนี้ก็คือศินห้าแต่ศินอุโบสถนั่นก็คือเป็นศินสินขัดเกลาร์ กิเลสคล้ายๆว่าเรามันล่มหลงในรถอาหารล่มหลงในเสียงดนรง ด, ด, ด, ดนรีเสียงรูปลายแต่งตัวร่างกายจนเกินไปและก็ที่รับที่นอนรู้หลาโออาจนมีความสุขจนเกินไปจนไม่ทึกไม่คิดว่าตัวเองจะตายอันนี้กพระพุทธองค์ท่านบอกว่า อันนี้เป็นเครื่องขัดเกลากิเลสคือสินหกกับสิลเจ็ดสินแปดนี่นะเพราะนั้นจำหรับคารวาสนะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะวิธีการวิธีการรักษาสินอยู่ในกรอบแต่ไม่มีการวิธีการภาวนาแลวแนวความคิดเนะี่ยอันดับแรกก็คือการอยู่ด้วยกันคือทานใช่ไมล่ะที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังการอยู่ด้วยกัน ต้องมีการเสียสละต่อพ่อแม่พี่น้องถูกหลานคณะสัตยาญาติโยมอย่างพวกเราทำบุญทำทานเนี่ยถ้าว่าไม่มีการเสียสละต่อกันพ่อแม่ก็อยู่กับเราไม่ได้เราก็อยู่กับพ่อแม่ไม่ได้หมูหมากาไก่อยู่กับเราก็ไม่ได้เพราะเราไม่มีการเสียสละให้กับเขานะนี่แหละการเสียสละเนี่ยก็คือเป็นน้ำใจส่วนหนึ่งแต่เราต่อมาก็เป็นเป็นกรอบแกรอบคือกฎกติกาแต่ในความคิดล่ะจะไอแนแวนความคิดเนีย จะทํำยังไงในหลักของพุทธศาสนาท่านว่าคนเร า, เาที่จะอยู่ด้วยกัน ร, ร่มเย็นเป็นเป็นสุขได้เนี่ยตรงแนวความคิดนี่นเป็นอันดับแรกก่อนที่เราจะคิดเนี่ยเราเป็นยังไงเพราะพระพุทธเจ้าท่านว่าให้มีสติสัมปชัญญะนะสติสัมปชัญญะคือสติคือความระลึกได้สัมปชัญญค ะ, ญญ ค, ะญญคือความรู้ตัวอยู่ตลอดถ้าว่าเรามีความ รู้ตัวอยู่ตลอดเราอยู่ในสถานนะไหนขณะนี้เวลานี้เดียวนี้เราอยู่อย่างไรให้มีสติอยู่กับตนเองในเมื่อมีสติอยู่กับตนเองแล้วกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบได้เพราะเรามีสตินะถ้าว่าเราขาดสติแล้วอย่าหวังเลยสมาธิจะเกิดนะเพราะนั้นเรื่องสมาธิจะเกิดขึ้นมาได้ต้องมีสติซะกนะ่อน แต่เมื่อมีสติดีแล้วมีสติสัมปชัญญะดีแล้วนะ เ, เมื่อกําหนดลมหรือว่ากําหนดตรงไหนใจของเราก็อยู่จุดนั้นเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบจิตใจเน่งนะเมื่อจิตใจเน่งแล้วนํามาพิจารณาพิจารณาแยกแยะในสิ่งที่ว่าจิตใจของเราหนหลงอะไรนะมันหลงอะไรพนะระพุเทธเจ้าท่านไปค้นคว้าศึกษาแล้วท่านรู้แล้วว่า ใจของเราหลงอะไรท่านว่าหลงกายฮนี่แหละหลงกายเพราะพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าไปข้นคว้าศึกษาไปนั่งภาวนาดูแล้วน่ะท่านวันในร่างกายของเราเนี่ยมีอยู่สองออมีอยู่สองอยู่ในตัวของเรามีอยู่สองอย่างคือรูปธปรรมคือร่างกายนามธรรมคือจิตใจทนี่นี่แหละมีอยู่สองอย่างอยู่ในตัวของเรา แต่ร่างกายของเราเนี่ยคืออย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเนี่ยพวกเราคือร่างกายพวกเราเห็นกันเนี่ยคือร่างกายจวนามธรรมคือจิตใจความรู้สึกนึกคิดตัวนั้นะ่ะมองไม่เห็นโดยตาเนื้อแต่ทุกคนรู้ว่าเรานึกคิดเรื่องอะไรในขณะนี้น ะ, อ, ะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายมาฟังอยู่ขณะนี้แนหะก็หลวงพ่อได้ยินเสียงหลวงพ่อพวกเราเอาจจะคิดไปต่างๆนานาต่างคนต่างคิดเนี่ย อันนั่นแหละตัวความคิดจุดนั้นละ่ะที่พระพุทธเจ้าท่านว่ามันหลงมันจะหลงเรื่องต่างๆมันหลงเรื่องร่างกายเป็นส่วนมากพอมันหลงร่างกายแล้วก็มันหลงส่วนอื่นทหลงเรื่องลาบเรื่องยศเรื่องสนเสริญ ย, ยอเรื่อง อ, อะไรตัวไม่อะไรท่านี้เพราะอะไรพะมันหลงร่างกายซะก่อนเพราะนั้นท่านจึงในหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าท่านจึงเมื่อให มีสติสัมปะชัญญะแล้วนะเอเมื่อรู้ร่างกายเมือเอ่อเออมีสติแล้วก็กําหนดลมหายใจจุดจนจิตใจเนิ่งแล้วนะในเมื่อจิตใจเน่งแล้วให้พิจารณาร่างกายให้เห็นร่างกายร่างกายของเราเนี่ยจะอยู่ไปนานสักเท่าไหร่อีกสักวันหนึ่งนะร่างกายจะต้องถึงจุดจบนะในเมื่อถึงจุดจบแล้วลาบยศสรรเสริญ Ừ, สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะจะเป็นของเราได้อยู่หรือถามกายถามใจตัวเองนะ itta, glitter, ang, ทีนี้ใจถามใจให้ถามใจตัวเองเราในเมื่อร่างกายของเราถูกไฟเผาทิ้งแล an ้วสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นของเราได้อยู่หรือหรือใจย้อนมาหาตัวผู้รู้คือใจในเมื่อย้อนมาหาตัวผู้รู้คือใจใจก็จะรู้ได้ว่าเออ สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นแต่เพียงปัจจัยอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวขณะที่ธาตุขันยังมีชีวิตอยู่ทางธาตุขันยังมีชีวิตอยู่เราต้องได้อาศัยปัจจัยสี่ข้าวน้ําโภชนาอาหารยาแก้โรคภัยไข้เจ็บผ้านุ่งห่มที่อยู่อาศัยเราต้องได้อาศัยแต่อีกสักวันหนึ่งไม่ใช่ว่าเราเราจะอาศัยตลอดไปไม่ใช่เราจะต้องทิ้งขนาดร่างกายของเรายัางทิ้ง แล้วส่วนอื่นล่ะเราจะไม่ทิ้งเหรอในร่างกายเราทิ้งส่วนอื่นเราก็ทิ้งไปด้วยนี่ยนะอันนี้คือหลักธรรมคาสอนของพุท ธ, ธะท่านให้พิจารณาถึงขนาดนั้นศรัทธายาจจ่าโฉมจากนั้นใจของเราก็จะรู้แจ้งเห็นจริงเบือเ่อหน่ายคลายจิตใจก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสยอ้อนไปถึงเทว่าในเมื่อยอ้อนตัดกิเลสได้ราคาโทสะโมหะแล้วรู้แจ้งเห็นจริงแล้ว เ, เราจะไม่มาเกิดอีกและท่นี่พอรู้รู้แหละ รู้แจ้งเห็นจริงแล้ตัดกิเลสภายในใจของเราแล้วนี่แหละหลักธรรมคาสอนของพุทธะนะถ้าว่าพวกเรายังไม่รู้แจ้งเห็นจริงแล้วใจของเรายัางหลงอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งอยู่เราจะต้องมาเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏะสงสารนี้อีกเป็นอนันตการนะถ้าเรารู้แจ้งเห็นจริงแล้วนะเราจะเกิดความเบื่อหน่ายคลายจุดพ้นรู้จริงเห็นจริงแล้วจะไม่มาเวียนไหวตายเกิดเปิดอีกนะ จุดนี้พวกเราต้องศึกษานะาไม่ใช่เราฟังคําเดียวรู้ครั้งเดียวจะจบไม่ใช่อันนี้เป็นแนวทางสําหรับพวกเราจะต้องได้ศึกษาในรายละเอียดนะเพราะหลักของพุทธศาสนาท่านศึกษาเรื่องของนามธรรมคือตัวผู้รู้คือใจนะท่านไม่ได้ศึกษาทางวิทยาศาสตร์ทางาทางรูปธรรมนะาทางรูปธรรมนะเราเห็นได้แต่เรื่องนามธรรมนะเหมือนกับ เรากดเอ่อเรากดคอมพิวเตอร์เลยเรากดเ e b o o k แล้วเรากดอะไรเนะี่ยพอกดกดถูกที่มันอนะมันก็ออกมานะมันก็ลักษณะนั้นคล้ายๆอย่างนั้นนะตัวนามวัรน์นะเอ่อคล้ายๆว่ามันมองไม่เห็นแต่มันพอกดถูกที่ทางแล้วมันก็ออกมาใจของเราก็ลักษณะอย่างนั้นนะนะเออถ้าว่าเราึใช้หลักธรรมคำสอนตัวจิตใจของเราเป็นสมาธิเนะ พอจิตใจเน่งเท่านั้นละ่ะเราจะรู้ได้เห็นได้ใจของเรานึกคิดเรื่องอะไรนะเะพราะเหตุว่าหลักของพุทธศาสนาเนี่ยท่านเน้นหนักเรื่องของใจมากกว่าเรื่องอย่างอื่นนะนะจัดพวกเราท่านทั้งหลายนะท่านจึงยกเป็นพุทธบาตรีว่ามโนปุพังเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วรวยใจเพืให้พวกเราศึกษาในจุดนี้น ะ, ะไม่ใช่ว่าจุดศึกษาเราประเดียวปรดาจะจบไม่ใช่นะ เรื่องกฎกติกาตัวนี้เรื่องวิชาตัวนี้เนี่ยวิชาหรือพบหรือชาตินะไม่มาเวียนไหวตายเกิดนะมันไม่ไม่วิชาไม่ใช่วิชาทางโลกนะวิชาทางโลกนะเป็นวิชาเปลือกเปลือกกระพี่กับพี่นะนะแต่วิชาหรือพบหรือชาติเป็นวิชาหลักนะออันนี้พอพระ大เจ้าไปค้นคว้าศึกษาแล้วท่านก็บําเพ็ญบารมีมาอีกไม่รู้กี่อสงไข่ไม่รู้กี่พบกี่ชาติจึงได รู้แจ้งเห็นจริงในจุดนี้เพราะนั้นพวกเราก็ศึกษาไปเรื่อยๆนะแต่พบที่แล้วชาติที่แล้วพวกเราก็คงจะศึกษามาแล้วนะแต่มันยังไม่สําเร็จยังไม่จบนะคนนั้นมาพบนี้ชาตินี้พวกเราก็ศึกษาต่ออีกแต่ถ้าว่าชาติไหนเราขี้เกียจเราไม่ใส่ใจแปลว่าพบนั้นชาตินั้นเราก็ได้กําไรน้อยเพียงอยู่ทุนเพอเพาขาดทุนอีกต่างหาก แต่ถ้าว่าพบในชาติใดเรามันขยันจิตใจของเราเป็นสัมมาทิฐิในพบนั้นชาตินั้นเราก็งอกเกยได้กําไรมากนะนี่แหละพเพราะเหตุนั้นพวกเราเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้าเราเกิดมาพบในชาตินี้อย่าให้อย่าได้ขาดทุนนะพยายามสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจถ้าเราไปเกิดผิดที่ผิดทางนะ ไปเกิดอยู่ในป่ารงพงภัยที่ไหนก็ไม่รู้นะ เ, เกิดมาพบนั้นชาตินั้นก็เป็นหูหนวกตาบอดป่าเถือนไปมีแต่ลังแกะฆ่าการเบียดเบียนกันพบนั้นชาตินั้นก็ไปแบบเปล่าประโยชน์นะท่านไม่ได้ประกอบคุณงามความดีแต่พบนี้ชาตินี้พวกเราได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําคสอนของรพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราใส่ใจสนใจนะเนาแล้วกันเนี่ย หลักของพุทธศาสนาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวได้ย้ำไว้อยู่ไม่ฟังว่าตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนี่แหละจุดนี้ให้พวกเราศึกษาน ะ, ะแล้วก็อะไรพาเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏสงสารก็คือกิเลสราคะโทสะโมหะจะชําระกิเลสออกจา ก, กจิตใจได้อย่างไรเนี่ยนะวิถีของพุทธะวิชาของพุทธะเนี่ยท่านสอนไว้แล้วนะให้พวกเราศึกษานะถ้าพวกเราไม่ศึกษาก็ไม่ ก็ไม่รู้นะจะให้คนอื่นศึกษาแทนไม่รู้ ผ, ผู้อื่นศึกษากับผู้อื่นก็ได้ไปจบไปรู้แจ้งเห็นจริงไปเหมือนกับหลักวิชาที่เราเรียนนั่ะเอ้ยผมมีเงินเอาไปไ ป, ไปเรียนหนังสือแทนแทนผมเถอะนะไปเขาเรียนเขาก็ได้เขานะอตัวเองก็ไม่ได้ why ไรเพราะวิชาวิชาบางเสียงบางอย่างเรียนแทนกันได้ แต่บางเรื่องในแทนกันไม่ได้คุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมชำละกิเลสภายในจิตในใจนะแทนกันไม่ได้นะของใครของเรานะคณะทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานนะอ้าตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพรในะอุทิศส่วนกุศลนาพวกเราต่างมาต่างถิ่นต่างแดนแล้วก็มาทาบุญในพระพุทธศาสนาวันนี้ให้พวกเราอุทิศส่วนกุศลถึง พ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศ์สาคณาญาติญาติมิตรสหายตลอดถึงเจ้ากรรมนายเวราวารดวงวิญญาณพ่อแม่ปู่ย่าตายายสิงสถิตยอยู่ณที่ใดทินใดตกทุกข์ใดยากก็ให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าในการทำบุญในคราวคราวนี้ครั้งนี้ด้วยเทอินะนึกในใจนะนี่เป็นการุทิส่วนกุศลนะ